พระพุทธเจ้าสูงสอนให้ชาวผู้ชาให้มีความมักน้อยสันโดษในการหาความสุขทางร่างกายคือการหาปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เป็นปัจจัยที่จะทำให้ร่างกายของพวกเราอยู่กันอย่างปกติสุขปัจจัยสี่นี้ส่งสอนว่าไม่จาเป็นที่จะต้องมีมากเกินไปไม่จาเป็นที่จะต้องมีคุณค่าราคามากเกินไปให้ สามารถที่จะทาหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอแล้วจะได้ความสุขเท่ากันเช่นรับประทานอาหารมื้อละหนึ่งร้อยบาทหรือรับประทานอาหารมื้อละหนึ่งพันบาทประโยชน์ที่ได้รับให้แก่ร่างกายก็เท่ากันคือร่างกาย ได้ความอิ่มได้ดับความหิวที่เกิดจากการขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะมีราคาแพงมีเครื่องประดับมีวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บจะมีราคาแพง เรื่อราคาถูกก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันคือเอาไว้สําหรับปกป้องร่างกายปกปิดอวัย ว, วะต่างๆเท่านั้นเองเสื้อผ้าชุดละห้าร้อยกับเสื้อผ้าชุดละห้าพันก็ทําหน้าที่ได้เท่าเทียมกันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทอง เพื่อที่จะมาซื้อของแพงๆมาบำรุงร่างกายในเมื่อของที่ราคาไม่แพงก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เหมือนกันความสุขทางร่างกายนี้มันมีขอบเขตเป็นเหมือนกับตุ่มน้ำตุ่มน้ำนี้ก็มีขอบเขตเราเติมน้ำเข้าไป เราก็เติมได้เพียงขนาดที่น้ำในขนาดที่ตุ่มจะรับน้ำได้พอเต็มตุ่มแล้วจะเทเข้าไปอีกมากน้อยน้ำมันก็จะไหลล้นออกมาไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในตุ่มได้ดังนั้นเรื่องของการหาความสุขทางร่างกายคือการหาปัจจัยสี่ จึงควรจะอยู่ในลักษณะของความมักน้อยสันโดษจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่มากระทบกับความสุขของทางใจถ้าเรามีความโลภมากจู้จี้จุกจิกจอยากจะได้ปัจจัยสี่ที่วิจิตรพิสดารที่หรูหรามันก็จะ กดดันจิตใจให้ต้องขวนขวายดือนรนหาปัจจัยสี่อันวิจิตพิสดารอันหรูหราที่มีราคาแพงๆมาแทนที่จะมีความสุขจากการมีปัจจัยสี่ที่หรูหราวิจิตพิสดารใจกับมีความทุกข์ใจเพราะจะต้อง ดิ้นรนหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งต่างๆและต้องไปเป็นหนี้เป็นสินต้องคอยกังวลต่อการใช้หนี้สินต่างๆเนื่องจากความโลภอยากได้ของดีๆของแพงๆมาใช้กับร่างกายนั่นเองความสุขที่ควรจะได้รับจากการใช้ของแพงๆ ของวิจิตพิสดารก็กลายเป็นความทุกข์ให้กับจิตใจไปยกเว้นสำหรับผู้ที่มีฐานะมีเงินมีทองไม่จำเป็นที่จะต้องไปหามาไม่จำเป็นที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อของต่างๆเหล่านี้ก็ซื้อได้แต่ผลมันก็ไม่ต่างกันกันกบซื้อของถูกๆ ของที่ไม่หรูหราของที่ไม่วิจิตพิสดารของที่ไม่มีราคาแพงแพงความสุขที่ได้ก็เหมือนกันคือความสุขทางร่างกายนี่ใช้ของถูกใช้ของแพงถ้ามันทำหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์มันก็ได้ผลเท่ากันหน้าที่ของอาหารก็คือให้ร่างกายไม่หิว ให้ร่างกายมีความอิ่มเสื้อผ้าก็มีไว้สำหรับหุ้มห่อปกปิดอวัยวะของร่างกายปกป้องอวัยปกป้องอากาศที่หนาวเย็นหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆที่อยู่อาศัยก็มีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆยารักษาโรคก็มีไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เวลาที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาถ้าปัจจัยสี่เหล่านี้สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องอเสียเงินเสียทองมากก็ไม่ควรที่จะไปเสียโดยใช่เหตุเพราะการเสียเงินนี้ก็หมายถึงการที่จะต้องหาเงิน เมื่อต้องการหาเงินก็จะต้องใช้เวลากับการหาเงินหาทองเพื่อมาบำรุงดูแลรักษาร่างกายก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายเพราะวาความสุขทางใจนี้ปริมาณ ที่รองรับความสุขทางใจนี้กว้างใหญ่ไพศาลกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายปริมาณที่รองรับได้ก็ประมาณตุ่มน้ําถ้าเปรียบเทียบส่วนความสุขทางจิตใจนี้ปริมาณที่รองรับได้ก็เป็นเหมือนสระน้ําเช่นสระว่ายน้ําตุ่มน้ํากับสระว่ายน้นํานี้มีขนาดที่ต่างกัน ปริมาณที่จะรองรับน้ำของตุ่มน้ำกับของสระน้ำนี่ก็มีความต่างกันความสุขทางใจจึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายแล้วก็ความสุขทางใจนี้ดีกว่าความสุขทางร่างกายที่ว่าจะอยู่คู่ไปกับใจไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกาย ที่จะต้องหมดไปพร้อมกับความตายของร่างกายถ้าเรามัวแต่หาความสุขทางร่างกายกันเราไม่ให้ความไม่หาความสุขทางใจกันถึงแม้ว่าเราจะมีปัจจัยสี่พอมเพียงขนาดไหนดีขนาดไหนใจของเราก็จะไม่มีความสุขจะมีความสุขแต่ทางร่างกายแต่ความสุขทางใจนี่ ไม่มีจะมีแต่ความหิวความอยากความต้องการอยู่เรื่อยๆทำให้ไม่มีความสุขได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเพราะสิ่งที่หามาได้นั้นมีไว้สำหรับใช้กับร่างกายไม่ได้มีไว้ใช้กับจิตใจจิตใจจึงไม่ จึงไม่ได้อะไรจากการหาสิ่งต่างๆมาให้แก่ร่างกายจิตใจก็จะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความสุขแต่ความ ส, สุขทางใจไม่มีมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความไม่สบายใจเพราะความหิวความอยากต่างๆไม่ได้รับการดูแลนั่นเอง มีสมบัติมีข้าวของอะไรต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความหมายถ้าใจแล้วไม่มีความสุขในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากไม่มีสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอให้ร่างกายอย่างวิจิตพิสดาร มีแต่ของเรียบง่ายมีของพอที่จะทำหน้าทีา่รักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ใจก็จะมีความสุขสบายถ้าใจได้รับการได้รับความสุขทางใจดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายให้มากเกิน เหตุเกินผลให้หามาพอพอประมาณพอสมควรพอที่จะทำหน้าที่รักษาร่างกายดูแลร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ก็พอเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่เราจะได้มาหาความสุขทางใจกันมาสร้างความสุขทางใจกัน เราหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแล้วมีส่วนที่เหลือส่วนที่เกินเราก็สามารถเอาส่วนที่เหลือส่วนที่เกินนี้มาสร้างความสุขทางใจได้ด้วยการเอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนอัตคัดขัดสน หรือจะให้ผู้ที่ไม่เดือดร้อนก็ได้เช่นให้ด้วยการผูกมิตรสร้างมิตภาพขึ้นมาเรามีอะไรที่เรามีเกินความจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายเราก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นการแบ่งปันการให้นี้จะทำให้ใจมีความสุข อันนี้เป็นการเติมความสุขเข้าไปในสระน้ำแทนที่จะเอาไปเติมในตุมน้ำที่เต็มแล้วด้วยการเอาเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกหรือซื้ อ, อของฟุ่งเฟยต่างๆมาบริโภคขนมน ม, นมเนยอะไรต่างๆทั้งๆที่ร่างกายไม่มีความหิวทั้งๆที่ร่างกายมีน้ำหนักเกินความต้องการ ของร่างกายการใช้เงินทองแบบนี้กลับจะเป็นโทษแก่ร่างกายเพราะจะทำให้ร่างกายนี้จะต้องมีน้ำหนักเกินเกินขอบเขตของความเป็นปกติสุขพอมีน้ำหนักเกินมันก็จะทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายขึ้นมาได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมา จากการบริโภคอาหารมากเกินความต้องการได้ทังนั้นแทนที่จะเอาเงินนี้มาเติมให้กับทางร่างกายเอาเงินนี้มาเติมให้กับทางจิตใจจะดีกว่าด้วยการเอาไปทำบุญทำทานจะทาที่ไหนกับใครก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความพอใจขอให้เราได้เอาเงินทอง น, นี้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แล้วมันจะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นเหมือนกับเอาน้ำไปเติมในสระน้ำที่ยังไม่เต็มหรือแห้งเพราะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเติมอยู่นั่นเองส่วนใหญ่เราจะโมวแต่ไปเติมแต่ตุ่มน้ำตุ่มเล็กๆ เ, เติมมันจนลน้นก็ยังไม่หยุดเติมกันอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่า มีสระน้ําที่เราสามารถเอาน้ํานี้ไปเติมได้เพื่อที่จะได้ความสุขจากน้ําในสระนี้เราไม่รู้กันเราคิดว่าเราต้องคอยเติมน้ําในตุ่มนี้เพียงอย่างเดียวคือคอยดูแลรักษาร่างกายหาความสุขให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วผลเป็นยังไงผลก็คือสุขกาย แต่ใจไม่ค่อยสุขใจวิตกกังวลวุ่นวายเดือดร้อนด้วยความอยากต่างๆทั้งนั้นอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์อยากให้ทุกสิ่ ง, ท, ง, ท, งทุกอย่างถาวรความอยากเหล่านี้มันทำให้เราต้องคอยดิน้นคอยหาความสุขมาเติมให้กับร่างกายเพราะเติมไปเท่าไหร่มันก็ไม่พอสักทีมันก็ ได้เพียงในระดับที่พออยู่พอกินไปเท่านั้นแต่อยากจะให้มันมีความสุขมากไปกว่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเพราะความสุขทางร่างกายก็อย่างที่บอกมันมีขอบเขตของมันพอร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขแล้วนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วจะให้สุขมากกว่านี้เช่นจัดงานเลี้ยงรับประทานอาหาร มีเครื่องดื่มอาหารอะไรต่างๆที่มีราคาแพงๆมีรสชาติอันโอชะวิจิตพิสดารกินไปแล้วมันก็ให้ความอิ่มเท่ากับกินอาหารตามปกติมันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอมากไปกว่า น, นั้นอพอวันรุ่งขึ้นมันก็หายไปหมดต้องรับประทานอาหารใหม่อีกแล้ว ดังนั้นอย่าไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองให้กับการหาความสุขทางร่างกายเกินขอบเขตเอาเท่าที่ขอบเขตของความต้องการของร่างกายก็พอให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวไม่อดอยากขาดแคลนมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไว้ปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บก็มียาไว้รักษาโรคถ้ามีเท่านี้ก็พอแล้วแล้วถ้ามีเงินเหลือจากการที่จะใช้ดูแลร่างกายก็อยากเก็บเอาไว้เฉย เรา อ, อย่าไปซื้อของมาให้กับร่างกายเพิ่มขึ้นไปทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าของใช้ไม่สอยอะไรต่างๆที่เห็นแล้วชอบแล้วอยากได้อย่าไปซื้อมาซื้อมาก็เท่านั้นไม่ได้ทําให้ความสุขมีเพิ่มมากขึ้นแล้วกลับจะทําให้มีความทุกข์ทางใจมากขึ้นก็ได้ เพราะถ้าใช้เงินใช้ทองไปมันก็จะหมดไปได้หมดแล้วมันก็จะทำให้ใจเดือดร้อนเพราะจะต้องหาวิธีหาเงินมาใช้ต่อเพราะว่ายัางต้องใช้กับร่างกายที่จำเป็นด้วยแล้วยังต้องใช้กับสิ่งที่ที่เคยใช้ทั้งๆ ท, ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่เมื่อใช้ไปแล้วมันก็ติดเป็นนิสัย ติดเป็นเหมือนกับติดยาเสพติดพอได้ใช้ได้ดื่มได้บริโภคแล้วก็ต้องใช้ต้องดื่มต้องบริโภคต่อไปเวลาที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดื่มไม่ได้บริโภคก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษแก่ทางจิตใจแทนที่จะเติมความสุขให้กับใจกลับไปเติมความทุกข์ให้กับใจ การใช้เงินทองแบบนี้เราต้องยุติต้องไม่ใช้ใช้แต่ให้เป็นประโยชน์กับร่างกายก็พอแล้วก็ไม่ให้เป็นโทษกับจิตใจการใช้เงินใช้ทองที่ทําให้เกิดเป็นโทษกับจิตใจเราต้องหยุดใช้แล้วเอาเงินที่ใช้ที่เป็นโทษแก่จิตใจนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับจิตใจด้วยการเอามาทําบุญทำทาน อันนี้จะทำให้จิตใจมีความสุขหรือจะเก็บสำรองไว้ในอนาคตบ้างเผื่อเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองมาดูแลร่างกายได้เราก็จะได้มีเงินไว้สารองไว้ดูแลการมีเงินสำรองนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขเพราะมีความมั่นใจว่าร่างกายจะไม่ทุกยากเดือดร้อน เพราะมีเงินสำ ร, รองไว้อันนี้ก็คือเรื่องของความมักน้อยสันโดษในเรื่องของการหาความสุขให้แก่ร่างกายอย่าไปโลภมากอย่าไปอยากให้ร่างกายมีความสุขมากๆด้วยการบริโภคปัจจัยสี่มากๆด้วยราคาแพงๆเพราะมัน ประโยชน์หรือความสุขที่ได้มันไม่ต่างกับการบริโภคแบบธรรมดาธรรมดาเอาเวลาและเอาเงินทองนี้มาสร้างความสุขทางใจกันจะดีกว่าเพราะใจปริมาณที่รองรับความสุขทางใจก็อย่างที่ได้เปรียบเทียบไว้ว่าเป็นเหมือนสระน้าซึ่งตอนนี้กาลังแห้งอยู่เพราะไม่ค่อยได้รับการเติมน้า ถ้าเราเอาเวลาและเอาเงินทองนี้มาเติมน้ําในสระจะดีกว่าเรามาเติมความสุขทางใจกันจะดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้จะได้มากกว่าความสุขทางร่างกายหลายสิบหลายร้อยเท่าด้วยกันถ้าเรามีความพอเพียงในเรื่องของทางร่างกายแล้วเราก็ควรที่จะหัน ความสนใจให้มากับการเติมความสุขให้กับทางจิตใจการเติมความสุขทางจิตใจก็มีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการใช้เงินทองที่มีเหลืออยู่จากการใช้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายก็เอามาทำบุญทำทานอันนี้ก็จะเป็นการเติมความสุขให้กับใจ เป็นการเติมน้ำเข้าไปในสระน้ำอาจจะเป็นปริมาณที่น้อยกว่าการที่จะใช้วิธีอื่นวิธีอื่นก็คือวิธีที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลหก็จะทำให้ใจนั้นมีความสุขเพราะเวลาที่ไม่รักษาศีลหเวลาไปทำบา ใจจะมีความทุกข์จะมีความวิตกกังวลจะมีความไม่สบายใจและเวลาที่จะต้องรับวิบากหรือรับโทษของการกระทำบาปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ได้ทำให้เกิดความสุขแต่อย่างใดแต่ถ้าได้รักษาศีลห้าได้คื อ, อละเว้นการทำบาปห้าข้อคือหนึ่งการไม่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆการกระทำเหล่านี้ถ้าระ ง, งับได้แม่นกระทำได้ก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจการไม่มีความทุกข์ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทำให้ใจมีความสุขอยู่เป็นปกติสุข อันนี้ก็เป็นการเติมความสุขให้กับใจในระดับที่สองเพราะว่าดับความทุกข์ระงับความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้จึงเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานแล้วก็พอรักษาศีล5ได้แล้วก็จะควรที่จะเพิ่มการรักษาศีลเพิ่มอีกสามข้อให้เป็นการรักษาศีล8 เพรการรักษาศีลแปดนี้จะสนับสนุนในการหาความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้รับจากการรักษาศีลคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญจิตตภาวนาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาคือทําใจให้สงบแต่เป็นความสงบชั่วคราว ต้องใช้การปฏิบัติขั้นที่สี่ถ้อยากจะให้ความสงบนี้เป็นความสงบที่ถาวรเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้ามีวิปัสสนาภาวนาก็จะทําให้ใจนี้สงบตลอดเวลาการภาวนาเนี้สมถะภาวนาเวลาใจสงบนี้ก็เหมือนกับเติมน้ําให้เต็มสระเลยปริมาณน้ําที่จะเติม ในให้ศระนี้จะได้มากจากการภาวนาการรักษาศีลก็ได้พอประมาณแต่สู้การหาจากการเจริญสมถภาวนาไม่ได้การเติมน้ำให้สระลึกเติมความสุขให้กับใจด้วยการทำทานนี้ก็จะเป็นส่วนน้อยส่วนที่มากขึ้นก็คือ การรักษาศีลห้าแล้มากขึ้นไปกว่านั้นก็คือการรักษาศีลแปแล้วก็จะช่วยทําให้สามารถเติมน้ําในสระให้เต็มได้ด้วยการเจริญสมถะภาวนาคือทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบนี้จะต้องมีเวลามากจะต้องมีเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยถึงจะสามารถทําใจให้สงบได้ การที่จะมีเวลาก็ต้องมีศีลแปดเป็นเครื่องคอยอห้ามด้วยหยุดพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่จะเอาเวลาของการมาเจริญส ม, มถะภาวนาไปกิจกรรมที่จะดึงเอาเวลาของการเจริญส ม, มถะภาวนาก็คือการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนั่นเอง เช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเวล่ำเวลานึกอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานไปก็จะเอาเวลาของการเจริญสมัมมาทพภาพวนาไปการดูละครดูมหรสพบันเทิงต่างๆดูการละเล่นต่างๆ การเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเครื่องหอมเครื่องอน้ำมันด้วยน้ำหอมด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆเหล่านี้นก็จะดึงเอาเวลาของการบาเพ็ญจิตตภาวนาของการเจริญสมถภาวนาไปเช่นเดียวกับการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกาย ปกติร่างกายนี้ต้องการหลับนอนคือละห้าสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกเน้หน า, นาเตียงใหญ่ๆเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วหลังจากได้นอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่เนื่องจากความสุขความสบายที่ได้รับจากการนอนบนเตียงนอนบนฟูกนหนาเตียงใหญ่ๆนี้จะทําให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมา ก็จะนอนต่ออีก3าสี่ชั่วโมงหรือสี่ห้าชั่วโมงไปเลยทำให้เวลาที่ควรจะได้มาใช้กับการเติมความสุขให้กับใจก็จะหมดไปแต่ถ้าได้รักษาศีลแปดนี้แล้วเวลาที่จะหมดไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็จะถูกระ ง, งับไปก็จะมีเวลาที่จะมาเติมความสุขให้กับใจได้ ให้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากกิจกรรมต่างๆที่ศีลแปดนี้ระ ง, งับไว้ได้ถ้ายังถือศีลห้านี้ยังจะอดไม่ได้ที่จะไปทํากิจกรรมทางสังคมทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แต่พอถือศีลแปดแล้วก็เหมือนกับต้องระ ง, งับกิจกรรมทางสังคมต่างๆไปให้หมด พราะถ้าไม่ละ ง, งับก็จะผิดศีลไม่สามารถรักษาศีลแปดได้นั่นเองนี่คือความสําคัญของศีลแปดต่อผู้ที่ต้องการที่จะมีเวลาวมาใช้ในการเจริญสมมาทพภาวนามาเติมความสุขให้กับใจให้เต็มสระให้เต็มให้ได้อย่างเต็มร้อยเลยต้องมีเวลาที่จะคอยควบคุมใจที่ไม่สงบนี้ให้สงบให้ได้ ด้วยการจเจริญสติสร้างสติขึ้นมาสตินี้จะเป็นตัวที่จะควบคุมความฟุ้งซ่านควบคุมความคิดปรุงแต่งความไม่สงบของใจความอยากต่างๆความโลภต่างๆความโกรธต่างๆนี้ถ้ามีสติคอยคุมแล้วจะไม่สามารถที่จะทำงานได้ จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ความคิดต่างๆไม่สามารถคิดได้ใจก็จะสงบลงไปทันทีนี่คืออํานาจของสติการจะมีสติได้นี้ ใ, ใจจะต้องจดจอ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวเช่นจดจอ่ออยู่กับ คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการกระทำของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้ใจนี้ไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไปโลภไปอยากไปโกรธไปหลงได้ถ้าสามารถที่จะกำกับควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเ น, นื่อง ในที่สุดใจก็จะรวมเข้าไปเป็นหนึ่งได้เป็นเอกคัตตารมเป็นอุเบกขาสงบนิ่งแล้วก็จะได้พบกับความสุขเต็มร้อยของใจอยู่ในความสงบนิ่งนี้เองอยู่ในอุเบกขาอยู่ในเอกคัตารมนี้อันนี้เป็นการเติมความสุขได้อย่างเต็มร้อยแต่เป็นความเป็นการเติมเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะสตินี้ง่ายสามารถที่จะคุมใจให้อยู่ในความสงบนั้นได้ไปตลอดเวลาเนื่องจากใจกยังมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่ยังต้องออกมาดูแลร่างกายเช่นออกมาดื่มน้ำออกมาขับถ่ายออกมาเปลี่ยนเอเรียบทเพราะร่างกายนี้ถ้าอยู่ในเอเรียบทเดียวนานๆก็จะพิกรพิการได้ ร่างกายถ้าไม่ได้รับการเติมน้ำเติมอะไรอาหารก็จะตายได้ร่างกายไม่ได้รับการขับถ่ายก็จะเป็นปัญหาได้ังั้นการอยู่ในสมาธิยังไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อถึงขีดหนึ่งแล้วความจำเป็นของร่างกายควบคู่กับตัญหาความอยากที่ยังไม่ตายกับความโลภที่ยังไม่อยากที่ยังไม่ตาย ที่ยังอยากจะออกไปเสพสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆกับรูปเสียงกลิก่นรสต่างๆก็จะผักดันให้ใจนี้ถอนออกจากสมาธิมาแต่ถ้าอยากจะรักษาความสงบความสุขความเป็นอุเบกขาของใจที่ได้จากสมาธิมานี้ก็มีทาอีกขั้นหนึ่งที่จะสามารถรักษา ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ได้ทำนี้เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือพอออกจากสมาธิมาแล้วก็ใช้วิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงว่าสิ่งต่างๆที่ใจที่ที่ใจหรือที่ความอยากนี่อยากจะได้นั้นไม่ได้เป็นความสุขอย่างที่ใจคิดเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี้ ใจจะมักคิดหรือความอยากจะหลอกให้คิดว่าถ้ามีแล้วจะมีความสุขถ้าได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะได้มาใหม่ก็ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆแทนที่จะอยู่อย่างเป็นปกติสุข ก็ต้องมาดิ้นลนมาหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจสู้การอยู่เฉยๆการรักษาอุเบกขาของใจไว้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีอุเบกขาใจจะไม่หิวใจจะระงับใจจะสู้กับความอยากความโลภต่างๆได้ อันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ใจอยากได้สิ่งที่ตัญหาอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเวลาอยู่กับเราเราก็สุขแต่เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์เนี่ยอันนี้คือวิปัสสนาภาวนาเกิดการเจริญความความจริงของ ส, สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ว่า อ่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของที่เราสามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอถ้าเราไม่อยากจะไปวุ่นวายกับของเหล่านี้เราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอย่าไปมีดีกว่าให้อยู่กับการไม่มีดีกว่าอยู่กับความสงบนี้ดีกว่าเพราะความสงบนี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยมีแต่จะให้ความสุข กับเราไปตลอดน่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อันนี้คือหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาสอนใจให้เห็นว่าการไปทาตามความอยากไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์การอยู่กับความสงบนี้การอยู่แบบไม่มีความอยากนี้ต่างหากที่เป็นการ เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงว่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดถ้าไม่ถูกความอยากนี้เอามาทำลายดังนั้นทุกครั้งที่มีความอยากจะต้องทำลายความอยากอย่าไปรักษาความอยากด้วยการทำตามความอยากเพราะความอยากนี้จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบไป แล้วใจก็จะดิ้นหลนวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิตอนที่ไม่มีสมาธินี้เราหาความสุขกันอย่างไรเราก็หาความสุขจากการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภากนและเวลาที่ราบยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผลถภาเสาเื่อมไปหายไปเมื่อหมดไป ความสุขนั้นก็จะหายไปหมดแล้วแทนสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความเสียใจอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนใจด้วยวิปัสสนาภาวนาให้เห็นให้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วกรา และมันไม่ได้เป็นของที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันอยู่กับเราหรือให้มันหายไปจากเราได้เวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปมันไม่สนใจว่าเราอยากจะให้มันอยู่หรืออยากจะให้มันไปหรือไม่มันไม่ฟังเราถ้าเราอยากให้มันไปแล้วมันไม่ไปเราก็จะทุกข์เช่นเวลาเกินเจ็บอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา อยากจะให้มันหายมันไม่หายเราก็จะทุกข์ใจหรือเวลาเรามีความสุขเราอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันไม่อยู่กับเรามันไปจากเราไปเราก็จะทุกข์ใจอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันจะให้ความทุกข์กับเราในบ้านปลายเสมอ ในเบื้องต้นมันจะให้ความสุขกับเราเวลาที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่สิ่งที่เราดักได้มานี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปแล้วเวลานั้นความทุกข์ก็จะเป็นตัวที่เข้ามาแทนตัวความสุขถ้าเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้สภาวะธรรมต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญ เช่รูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพาพอเราไม่อยากได้แล้วใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาใจของเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเพราะใจของเราที่เป็นผู้รองรับความสุขนี้เป็นของถาวรไม่มีวันสิ้นไม่เหมือนกับร่างกายะ ร่างกายที่รองรับความสุขทางร่างกายนี้มีวันหมดไปพอร่างกายตายไปแล้วความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็จะหายไปหมดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรัรคือความสุขทางใจและความทุกข์ที่ทาให้ที่ทาให้เกิดขึ้นทางใจก็เพราะมัวแต่ไปหาความสุขทางร่างกาย แบบไม่มีขอบไม่มีเขตการหาความสุขทางร่างกายนี้หาได้แต่ต้องมีเหตุมีผลมีขอบมีเขตก็คือหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่เป็นปกติสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติสุขใจก็มีความสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายขาดก็สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับใจได้ ถ้ามากเกินไปก็ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ไปสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับใจได้อีกดังการหาความสุขทางร่างกายก็ยังเป็นความจําเป็นอยู่เพราะมีผลกระทบต่อใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าสามารถหาความสุขจากใจได้เต็มที่แล้วจะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของความสุขหรือความทุกข์ของทางร่างกายเพราะความสุขทางร่าง ทางจิตใจนี้มันจะมีปริมาณมากกว่าจนทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีความหมายเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายจะตายไปถ้าใจมีความสุขเต็มร้อยจากสมาธิและวิปัสสนาแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อย่างใด แต่ในขณะที่ใจยังไม่มีความสุขเต็มร้อยยังไม่มีวิปัสสนาภาวนายังไม่มีสมถะภาวนาก็ยังจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจนี่คือความสุขทางร่างกายและทางจิตใจที่เรายังต้องมีความรับผิดชอบอยู่ แต่ให้เรารู้ว่าควรจะให้มากให้น้อยให้สิ่งไหนมากให้สิ่งไหนน้อยให้ร่างกายนี้น้อยกว่าให้ละให้จิตใจถ้าร่างกายอยู่เป็นปกติสุขแล้วเราก็ควรจะทุ่มเทเอาเวลาจิตใจเอาเวลาและเอาทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่นี้มาสร้างความสุขทางใจกันจะดีกว่าตอนนี้เราขาดความสุขทางใจกัน ความสุขทางร่างกายนี้เรามีสมบูรณ์กันทุกคนมีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียารักษาโรคแต่สิ่งที่เราขาดกันก็คือความสุขทางใจเราต้องมาสร้างความสุขทางใจถ้าเรามีเงินทองเหลือมากเกินต่อความจาเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายก็เอามาทาบุญทาทานกัน แล้วก็มารักษาศีลกันระงับการกระทําบาปเพื่อจะได้ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจการไม่มีความทุกข์ก็จะทําให้ใจมีความสุขแล้วก็จะได้มีกําลังที่จะมาจะเจริญสมถาทัปพันามาเติมความสุขให้ได้เต็มร้อยเต็มที่วิธีที่จะเติมความสุขใหญ่ให้เต็มร้อยเต็มที่นี้ต้องเติมด้วยสัมมาทัปพัฒนา การเติมด้วยทานด้วยกษีลนี้ไม่สามารถที่จะเติมให้ได้เต็มร้อยเพราะว่าไม่สามารถระ ง, งับหยุดกิเลสตัณหาตัวที่ทำให้ใจไม่ไม่มีความสุขได้แต่การเจริญส ม, มถาภาวนาด้วยการใช้สติเป็นตัวบังคับควบคุมใจให้สงบระ ง, งับจากความโลภความอยากต่างๆจากความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้จะทำให้จิตสงบได้เต็มร้อย จะทำให้เจ็ดมีความสุขได้เต็มร้อยแต่ยังเป็นความสุขชั่วคราวเพราะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาพอออกมาก็ต้องใช้การปฏิบัติขั้นที่สี่ก็คือขั้นวิปัสสนาภาวนาเอาความเป็นจริงของโลกของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาเตือนใจสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่จาเป็น ถ้าเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องรู้จักขอบเขตว่าเราทําได้มากน้อยเพียงไรเมื่อเกินความสามารถของเราเราก็ต้องหยุดถ้าจะพยายามมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาสอนใจใ ห, ให้รู้ตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมทัท้งปวงว่าเป็นอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ เที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแนะ่เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเรากันแนะถ้าได้ศึกษาได้วิเคราะห์ตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวไม่มีประโยชน์กับจิตใจที่จะไปคอยดูแลรักษาเหมืนอนถ้ารักษาได้ ก็ดูแลไปแต่ถ้าไม่สามารถดูแลรักษาได้ก็อย่าไปเสียดายทิ้งมันไปปล่อยมันไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันอย่าให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราก็แล้วกันเพราะความสุขของใจเรานี่สำคัญกว่าใจของเราจะมีความสุขได้ก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปในที่สุดเพราะในที่สุดเราก็จะไม่สามารถรักษาดูแลอะไรได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันจบไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการมีความมากน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปเพราะมันหาไม่ได้อยู่ดีหาได้มากหาได้น้อยความสุขก็ได้เท่ากันทางร่างกายเอาเวลามาหาความสุขทางใจดีกว่าที่หา ได้มากเท่าไหร่ก็จะได้มากเท่านั้นทําบุญทําทานได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นรักษาศีลได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นภาวนาได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นให้มาหาความสุขทางใจดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดและจะทําให้เราไม่ต้องกลับมาหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปจึงขอให้พวกเราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขทางใจกันเถิดโดยเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมาเป็นตัวอย่างปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าแล ะ, ะสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเถอด รับรองได้ว่าเราก็จะได้รับความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวารรวาหาภูราสาริกุลรนติสาคลัง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 มาเตภวตวันตราโยสุขีธีคาโยโกผวะอภิวาธนศีลิสะนิจจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลั ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามก็ขอความกรุณาให้ถามในช่วงนี้ได้เลยเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่มีการถามตออีกต่อไปถ้าไม่มีจะให้ทางพิธีกรเอาคำถามทางบ้านมาถามคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามการดึงจิตของผู้ผู้อื่นลงล่าง อีคนหนึ่งทำได้ไหมคะจิตของใครไม่สามารถที่จะไปเข้าจิตของผู้อื่นได้ถ้าเข้าได้จิตพระพุทธเจ้าก็เข้าพวกเราให้เป็นจิตพระพุทธเจ้าไปกันหมดแล้วนี่มันเข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้ก็สบายกันหมดแล้วเป็นพระพุทธเจ้ากันไปหมดแล้วโคลนิ่งเขาเรียกโคลนิ่งคำถามจากผู้ฝากถาม อาทิตย์ที่แล้วโยมถามหลวงพ่อเรื่องป้าของโยมที่เลี้ยงกุมารทองรักโยมแล้วป้าเสียชีวิตไปแล้วหลวงพ่อบอกให้ไว้ที่เดิมไม่ต้องไปย้ายหรือยุ่งเกี่ยวอะไรหลังจากโยมเอาคำตอบของหลวงพ่อไปบอกญาติๆแล้วเหตุการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นยังมีคนได้ยินเสียงหรืออื่นๆอีกค่ะอีกทั้งบ้านของป้าก็จะเปิดให้คนเช่าอยู่อาศัยตกลงกันว่าจะต้องขนของออกค่ะไม่มีใคร กล้ารับเอาไว้โยมกราบขอเมตตาว่าโยมจะเอามาทิ้งแถวแถวหลังวิหารเซียนบริเวณข้างทางใกล้ที่เผาขยะค่ะเผื่อว่ากุมารทองรักโยมจะเกรงกลัวอำนาจของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ไปรบกวนใครๆอีกโยมกราบขอเมตตาหลวงพ่ออนุญาตด้วยค่ะเราไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เราอนุญาตไม่ได้หรอกต้องไปขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อน คำถามจากผู้ฝากถามอีฉันมีลูกสามคนลูกสาวสองคนลูกชายหนึ่งคนดิฉันพาลูกๆเข้าวัดทำบุญใส่บาตรเป็นประจําเด็กๆมีความประพฤติดีเรียบร้อยเรียนเก่งดิฉันมากฟังเทศหลวงพ่อบ่อยเริ่มพาลูกๆมานั่งภาวนาฟังเทศปัจจุบันเด็กๆ เ, เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วค่ะคําถามคือดิฉันสังเกตดูว่า เวลาฟังเทศหรือนั่งภาวนาเด็กๆจะไม่ค่อยสนใจส่วนใหญ่จะนั่งหลับแต่ถ้าไปทำบุญใส่บาตรเขาจะชอบมากดิฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กๆหันมาสนใจการภาวนาคะมันเป็นเรื่องที่มันต้องออกจากตัวเด็กเองเราทำได้ก็เพียงแต่พาเขาไปฟังเทศ แต่ถ้าเขายังไม่พร้อมหรือเขายังไม่มีความสนใจเราก็อย่าเพิ่งไปกังวลให้มากจนเกินไปตอนนี้ขอให้เขาทำบุญทำทานรักษาศีลให้ได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบายามุตได้ก็ถือว่าพอควรกับระดับของเขาไว้ให้แล้วเขาตขึ้นแล้วเขาเห็นความสำคัญของการฟังเทศของการภาวนาเขาก็จะทาของเขาเอง ถ้าดิฉันจะภาวนาคนเดียวเพราะได้รับความสงบสบายมีความสุขทุกครั้งที่ภาวนาดิฉันทำถูกหรือไม่คะการภาวนานี้ บ, บมันเกิดส่วนตัวอยู่แล้วเหมือนกับการเข้าห้องน้ำเราไม่เอาคนอื่นไปเข้าห้องน้ากับเราฉันใดเวลาเราภาวนาเราก็ภาวนาคนเดียวเพราะถ้าคนอื่นมาภาวนาด้วยเดี๋ยวมันรบกวนใจกันจะไม่สงบ แล้วดิฉันจะถูกว่าเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดคนเดียวหรือเปล่าคะเอเวลาเข้าห้องน้ํานี่เห็นแก่ตัวเปล่าค <c oughs> ำถามเจ้าคุณอ้อเอกคตาลมสังเกตตัวเองเวลานั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเท้าเท้าขวาทับเท้าซ้ายกําหนดลมหายใจเขา้าออกทําไมรู้สึกร้อนบ ว, วาบในร่างกายคะดิฉันนั่งผิดหรือเปล่าคะอ๋อไม่ผิดหรอกมันเป็นการต่อสู้ของกิเลส กับธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเหมือนกับการเสียดสีกันระหว่างเบรกกับผ้าเบรกล้อผ้าเบรกกับล้อเวลาจะหยุดรถนี้มันต้องเหยียบเบรกแล้วเบรกมันก็จะไปเสียดสีกับล้อเพื่อให้ล้อมันหยุดเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีผลทางทางความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาบางคนนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดบางคนก็รู้สึกว่าร้อนเนี บางคนนั่งก็รู้สึกว่าคันบางทีนั่งแล้วก็ง่วงอยากจะหลับอันนี้นเป็นผลของกิเลสที่จะคอยต่อต้านไม่อยากให้เราทำใจให้เข้าสู่ความสงบดังนั้นเราต้องอดทนต้องไม่ไปให้ความสาคัญปล่อยให้มันปล่อยให้มันเป็นความรู้สึกของมันไปให้รู้ว่าถ้าเราหยุดความต่อต้านของใจได้ของกิเลสได้แล้วมันจะหายไปหมดแล้วมันจะเย็ น, นจะสบาย แต่เบื้องต้นนี้มันก็จะต้องเป็นเหมือนรถที่เหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วล้อมันจะร้อนบางทีเหยียบแรงๆนี่มันมีควันขึ้นเลยก็ไม่เป็นไรเพื่อให้รถมันหยุดจะได้ปลอดภัยจะนั้นไม่ไปชนเป็นอันตรายคําถามจากผู้ฝากถามทําอย่างไรจึงจะละความอยากได้เหมือนหลวงพ่อคะก็ทําอย่างหลวงพ่อก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปหาที่ปฏิบัติ อยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครตัดหมดคำว่าตัดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรักความคิดถึงแต่ตอนที่ปฏิบัตินี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันหยุดยุติความคิดถึงกันและกันไว้เชื่อข่าวก่อนเอาไปทําใจให้สงบให้ใจมีปัญญาให้มีกําลังเมื่อมีปัญญามีกําลังมีความสงบแล้วที่นี้ก็จะไปหาใครไปดูแลใครไปช่วยเหลือใครก็ทําได้อย่างสบายไม่มีปัญหาแต่อย่างใด คำถามจากคุณชาญชาติบวชให้พ่อแม่กับเลี้ยงดูพ่อแม่อันไหนทดแทนบุญคุณท่านได้ดีกว่ากันครับก็อยู่ที่ความจำเป็นว่าถ้าต้องดูแลพ่อแม่แล้วไปบวชมันก็ไม่ได้ดูแลอันนี้มันก็มันก็ไม่ดีถ้าพ่อแม่ต้องอาศัยให้เราเลี้ยงดูเช่นท่านพิกร์พิการไม่มีใครดูแลถ้าเราไม่ดูแลท่านจะ อดอยาขาดแคลนเรือถึงกับตายได้อันนี้เราก็ต้องเอาการเลี้ยงดูไว้ก่อนแต่ถ้าพ่อแม่อยู่ดีเป็นสุข <Yeah. S 1> เลี้ยงดูตัวเองได้ <Yeah. S 1> เราก็ไปบวชจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ทำเหมให้กับที่พระเจ้าไปไปบวชพอพุทธเจ้าได้ทําแล้วก็จะได้เอาธรรมนี้มาช่วยเหลือพ่อแม่ที่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์กว่าการเอาอาหารเอาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูพ่อแม่ เพราะปัจจัยสี่ก็เลี้ยงดูได้แต่ร่างกายของพ่อแม่แต่ไม่สามารถดูแลรักษาใจของพ่อแม่ให้หายทุกข์ให้หายจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราไปบวชแล้วเราใบรับรธรรมได้ธรรมะมาเราก็สามารถเอาธรรมะนี้มาสอนพ่อแม่ได้แล้วพ่อแม่ถ้าปฏิบัติตามได้พ่อแม่ก็จะได้หลุดพ้นได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำไมการแก้ปัญหาความทุกข์ที่ใจเรามันถึงยากและใช้เวลามากกว่าการแก้ปัญหาข้างนอกแก้ตรงสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจคะหนูฟังเทศกันหนึ่งของหลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาปัญหาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหานั้นฟังดูเหมือนง่ายแต่พอปัญหาเกิดขึ้นมันทายากและต้องใช้เวลา ช่วงที่ทำใจปล่อยวางมันทรมานเพราะมันทุกข์เมื่อก่อนเวลาหนูมีปัญหาหนูจะเล่าให้คนรอบข้างหรือคนที่รักหนูฟังเพื่อระบายความไม่สบายใจและคนที่รับฟังเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหาให้แทบจะทุกเลื่อมทุกปัญหาพอได้ระบายความทุกข์ตอนนั้นมันก็เหมือนเบาบางลงหรือบางทีก็หายไปแต่พอมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็สอนให้แก้ที่ใจเรา ไม่ใช่แก้ที่สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจทุกใจซึ่งตรงกันข้ามกับความเคยชินทำให้ทรมานมากกว่าการไปแก้ข้างนอกเพราะมันต้องใช้เวลาสอนใจกว่าใจมันจะวางจะยอมรับแล้วช่วงเวลานั้นมันเหมือนหนามตาใจมันทุกทรมานมันหนักค่ะ หอหลวงพ่อเมตตาสอนวิธีปล่อยวางปัญหามีแบบรวดเร็วทันใจแบบเจอปัญหาปุ๊บปล่อยได้ปั๊บไหมคะใจจะได้สบายคะ่ะมันก็อยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเรามีปัญญาที่แหลมคมมีสมาธิที่หนานแน่นเราก็จะสามารถตัดได้ปล่อยได้อย่างง่ายได้ ถ้าเรายัางไม่มีสมาธิที่หนาแน่นไม่มีปัญญาที่แหลมคมเราก็ต้องสร้างสมาธิที่ที่ยังไม่หนาแน่นให้มันหนาแน่นแล้วก็สร้างปัญญาให้มันแหลมคมให้ให้มันเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างชัดแจง้งแดงแจ๋ตลอดเวลาแล้วปัญหาต่างๆก็จะคือปัญหาทางใจต่างๆก็จะแก้ได้หมดเลยงนั้นถ้าตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็แสดงว่าเครื่องม้เครื่องมือของเรามัน อย่างไม่พร้อมต้องพยายามทำเครื่องม้เครื่องมือให้พร้อมก็คือสมาธิให้แน่นหนาให้ปัญญาให้แหลมคมสมาธิจะแน่นหนาได้ก็ต้องอาศัยสติที่ต่อเนื่องและมีการนั่งให้มากให้จิตรวมให้บ่อยแล้วก็ออกจากการรวมของจิตก็ต้องหมั่นพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆบมั่นพิจารณาอาสุภะหมันพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ที่เรายัางมองไม่เห็นให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนพอเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วเวลาเกิดความทุกข์เกิดความอยากขึ้นมามันก็จะตัดได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วคำถามจากคุณวรพ์เวลานั่งสมาธินั่งไปประมาณสี่สิบห้าถึงหกสิบนาทีแล้วผู้โทรกับลมหายใจจะหายไปผมก็พยายามประคองความสงบที่เกิดขึ้นให้นานที่สุดเท่าที่ทาได้ แต่มีปัญหากับการกลืนน้ำลายพอน้ำลายเริ่มเยอะแล้วกลืนลงไปสมาธิก็จะหายไปทันทีพุทโธกับลมหายใจก็กลับมาทันทีพระอาจารย์เมตตาแนะนําด้วยครับก็แสดงว่าสติเรามีกําลังไม่มากพอที่จะปล่อยความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําลายอยู่ในที่อยู่ในคอเราได้ถ้าเรามีสติที่แข็ง จดจอ่ออยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปสนใจกับเรื่องของน้ำลายเรื่องเรื่องของน้ำลายก็จะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ใจของเรายังแกว่งไปแกว่งมาอยู่ระหว่างลมกับพุโทโธแล้วกับกับน้ำลายความจริงเราต้องไม่รับรู้เรื่องของน้ำลายเลยไม่ต้องไปสนใจมันจะไหลออกมาทางปากก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปกังวล ให้เราอยู่ติดอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวปัญหาทางเรื่องของน้ําลายมันก็จะหมดไปเองถ้าเรายังไม่มีกําลังพอเราก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ต้องพยายามเจริญสติให้ดึงใจให้อยู่กับพุโทโธอยู่เรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นอกจากเวลามีความจําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดไว้ชั่วคราว แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นน่าจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเพอเจ้อทั้งหลายก็อย่าไปเดินกลับมาที่พุโทโธพุโทโธแล้วพอเรามีสติที่มีกาลังมากขึ้นเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่มันก็จะไม่เผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นไปคิดถึงเรื่องน้ำลายเรือคิดถึงเรื่องคันตรงนั้นคันตรงนี้มันก็จะเกาะติดอยู่กับลมหรือกับพุโทโธแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไป คำถามจากคุณบุญมีการลอยอังคารสามารถส่งดวงวิญญาณคนตายไปสู่สวงสวรรค์และพบภูมิที่ดีได้จริงหรือครับอ๋อไม่ได้หรอกสิ่งที่จะส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติก็คือการทำบุญรักษาศีลการภาวนาอังคารนี้เป็นธาตุดินธาตุดินนีไม่ไปสวรรค์ธาตุดินก็กลับคืนสู่ธาตุดิน ธาตุน้ําก็กลับคืนสู่ธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็เช่นเดียวกันร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟเมื่อร่างกายแตกสามโอเคธาตุทั้งสี่ก็แยกทางกันไปกลับคืนสู่บ้านเดิมของเขาส่วนใจที่เคยเกาะติดอยู่กับร่างกายก็ต้องไปตามอํานาจของบุญของบาปที่ทําไว้ถ้าทําบุญรักษาศีลก็จะไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่สุขติไปสู่ชั้น เทพชั้นผอมชั้น อ, อริยะเจ้าถ้าทำบาป ท, ทำกรรมมันก็จะไปสู่ อ, อบายคำถามจากคุณอ็อกซิแมนทำไมการแนะนำหรือการชักชวนให้บุคคลในครอบครัวเข้าปฏิบัติธรรมหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองนั้นจึงทำยากและเราควรจะทำอย่างไรดีทำให้เขาเห็นคุณค่าแห่งการปฏิบัติครับเพราะโดยธรรมชาติของผู้ที่มาเกิดนี้ จะถูกความหลงครอบงำจิตใจจะไม่ให้เห็นความสำคัญไม่ให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพุทธเจ้าความหลงนี่จะให้เห็นความสำคัญของการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจบูกนิ้นกายจึงเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะชวนให้เข้ามาทางธรรมได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองในเบื้องต้นก็ยังมีความท้อผัสไถยตอนที่ทรงตัดสรู้ใหม่ๆแล้วคิดถึงคนที่อยากจะเอามาปฏิบัติธรรมพอคิดแล้วก็ไม่ไหวแนๆ่ๆคิดถึงพ่อที่อยู่ในวังเขาคงไม่อยากจะปฏิบัติธรรมคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกคิดถึงใครๆเขาก็มีแต่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิืนกายก็เลยตอนต้นก็เลยไม่อยากจะสอนนี่คิดด้วย เหตุใจที่มีเหตุมีผลไม่ได้คิดด้วยใจที่มีความอยากเหมือนพวกเราพวกเราพอเห็นว่าธรรมะนี้เป็นของดีก็อยากจะให้คนอื่นก็เอาด้วยแต่เราไม่คิดถึงความสามารถของเขาหรือความต้องการของเขาว่ามันเป็นไปได้หรือไม่เราก็เลยท้อหรือเกิดอยากแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยาก ดั้นเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นของง่ายสําหรับคนทั่วไปที่จะเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่เราทําได้อย่างมากก็คือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปอยู่ใกล้ตัวเขาเช่นเราได้นับหนังสือมาอยากวัดเราก็อ่านแล้วแล้วก็วางไว้ในบ้านเผื่อวันดีคืนดีถ้าเกิดเขาสนใจหยิบยกขึ้นมาอ่านเราก็ได้มีเวลาคิดแนละ้ได้เห็นประโยชน์ของการได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ธรรมของพระพุทธเจ้าเขาก็จะปฏิบัติเองแต่การที่เราจะไปโน้มน้าวเขามาในยากเพราะตัวเราเองก็ยังไม่มีธรรมที่จะโน้มน้าวจิตใจเขาได้คำถามจากคุณกอฟตี้ข้อแรกตอนนั่งสมาธินั้นในขณะที่มีเวทนาเกิดขึ้นก็พิจารณาดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเฝ้าดูเวทนาแต่เวทนานั้นไม่ได้หายไปไหนเลย โยมก็ทนเวทนานั้นได้เรื่อยๆจนเกิดความเบื่อหน่ายในท่านั่งจิตก็คิดว่าจะนั่งเอาอะไรหนอนั่งให้คนเขาลือว่านั่งเก่งนั่งนานหรือก็ไม่ใช่นี่เรียกว่าโยมไม่มีปัญญาใช่หรือไม่คะก็คิดผิดแล้วถ้าก็าคิดถึงเรื่องของคนอื่นเพราะการนั่งนี้เพื่อทำให้ใจเราปล่อยวางทุกขเวทนาถ้าเราปล่อยวางทุกขเวทนาได้ เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายเราจะตายเพราะว่าใจของเราจะไม่วุ่นวายใจของเราจะสงบจะเย็นจะสบายนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้ใจนี้เย็นให้สบายท่ามกลางความทุกข์ความเจ็บของร่างกายไม่ได้นั่งเพื่อให้ทุกขเวทนาของร่างกายหายไปและไม่ได้นั่งให้คนอวดให้คนอื่นเขเห็นว่าเรานั่งได้นานหรือนั่งได มากแต่อย่างใดคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรจะคิดอย่างไรนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้ขอให้เรารู้เป้าหมายของการกระทาของเราก็แล้วกันว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้จะเห็นหรือไม่เห็นนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะว่าก็ปล่อยเขาว่าเขาจะชมก็ปล่อยเขาชมไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราปล่อยวางทุกเวทนาได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้แล้วเราจะสบาย เราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บค้าได้ป่วยอีกต่อไปและนั่งต่อไปอีกก็อยากเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นนอนหรือยืนหรือเดินแบบนี้ถือว่าโยมขาดความเพียรใช่ไหมคะแสดงว่าเรายังปล่อยวางทุกขเวทนาไม่ได้เพราะเราอยากจะให้มันหายไปเราอยากจะให้สุขเวทนากลับคืนมาเราเลยต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบทเพราะเวลาเราเปลี่ยนทุกขเวทนามันก็จะหายไป เราก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาคือเรายังปล่อยทุกขเวทนาไม่ได้ถ้าเราพยายามเจริญสติต่อไปหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกขเวทนาเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้แล้วใจยอมรับได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะอยู่กับทุกขเวทนานั้นได้ นี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเวลาที่เราพิจารณาทุกขเวทนาข้อสองโยมพยายามเปลี่ยนตัวเองสรรหาอุบายต่างๆแต่ก็ดีได้ชั่วคราวจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำอยู่วนเวียนแบบนี้ไม่สิ้นสุดสิ่งที่ทำได้นานจริงๆคือนั่งหรือนอนอยู่นิ่งเฉยๆจิตคิดปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วก็วกกลับมาดูจิตของตน รังเกียจความเกลียดค้านของตนเองฟังธรรมะก็เข้าใจรู้ความหมายในขณะนั้นหลังจากนั้นก็ลืมเลยส่วนมนต์ไม่เก่งยอมฝักใฝ่าทางภาวนาตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์ในข้อมุสาไม่ชอบโกหกแต่บางครั้งพูดเกินความจริงชอบพูดโน้มน้าวคนให้เข้าวัดชอบพูดประสบการณ์ของตนให้คนอื่นฟัง บางทีรู้สึกว่าตนเองเพ้อเจ้อแต่ก็ห้ามปากไม่ได้หลายเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นยมจะพูดเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นทำแบบนี้บ่อยมากแล้วเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจริงประมาณว่ายอมรับกรรมจากการกระทำของตนเพื่อที่จะผ่านช่วงนี้ให้เร็วขึ้นจะได้เริ่มต้นใหม่ในทางที่ถูกต้องโดยการเล่ยงปฏิบัติภาวนา พฤติกรรมแบบนี้น่าเป็นห่วงมากไหมคะรบกวนท่านเมตตาชี้แนะทางสว่างด้วยคะ่ะก็ต้องมันเจริญสตินั่นะถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะระงับความคิดต่างๆได้การที่เราพูดอะไรต่างๆนี้มันก็เกิดจากความคิดของเรานี่เองก่อนที่เราจะพูดได้เราก็ต้องคิดก่อนแต่ถ้าเรามีสติหยุดความคิดได้เราก็จะไม่พูดอะไรไม่ไปทาอะไรได้นั้นสิ่งที่เราขาดกันก็คือการเจริญสติ ขอยพยายามเจริญสติกันให้มากๆให้บ่อยๆใช้คําบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ใช้การท่องพระสูตรไปก็ได้คืออย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหางานให้ใจทําหาธรรมะให้ใจทําหรือจดจ่อเฝ้าดูการกระทําการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาบทในทุกขณะก็ได้นี่คือวิธีสร้างสติ วิธีที่จะระงับความคิดต่างๆเพราะการกระทาต่างๆของเรานี้เกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่พูดเราก็จะไม่ทำข้อสโยมปฏิบัติที่บ้านทุกวันพระและทุกครั้งที่มีโอกาสโดยการรักษาศีลแปดจนประมาณเกือบสามเดือนที่แล้วจิตไม่ยอมหลับออกมาคิดตลอดเวลา แต่ไม่ฟุ้งซ่านรู้สึกมีพลังไม่เกลียดค้านเลยสามารถทำทั้งคืนได้โดยไม่ง่วงไม่เพลียเวลานั่งก็มีแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นบ่อยแต่จิตก็ไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะคิดเองว่าคงเป็นสภาวะธรรมเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อครั้งตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ย้อนมาดูจิตนี่ก็แปลกมีพลัง และรู้สึกว่าหากิเลสตัณหาราคาที่เคยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติไม่เจอเลยเป็นอยู่แบบนี้ไม่กี่เดือนก็มีความคิดว่าต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรปัญหาคือโยมคิดเองว่าจิตเราเร็วเกินไปต้องถอยกลับมาทบทวนการปฏิบัติใหม่หลายๆครั้งจนกว่าจะชำนาญค่อยเริ่มเค้่งครัดเอาจิ ง, เ อ, จงเอาจังในการปฏิบัติ ตอนนี้โยมคิดว่าน่าจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์จริงๆรักษาศีลแปดบ้างบางโอกาสก็พอโยมคิดถูกหรือคิดผิดคะก็ควรจะรักษาศีลแปดให้ได้ตลอดเวลาได้ยิ่งดีศีลห้า น, นี้จะมีกําลังไม่มากพอที่จะสนับสนุนการเจริญสติการเจริญสมถะภาวนาศีลแปดนี้จะ มีกำลังเสริมให้ใจได้ปฏิบัติได้มากขึ้นถ้าเราอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติภาวนาเราก็ต้องรักษาสีแปดให้ได้ตลอดเวลาจะดีกว่านอกจากว่าชีวิตมันบังคับให้ต้องรักษาสีห้าไปเพราะว่ายัางต้องมีภารกิจการงานมีการกระทำอะไรเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆซึ่งไม่สามารถทาให้รักษาศีแ8ได้ก็ต้อง ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของเราเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนนเรายังไม่สามารถขึ้นทางด่วนได้ยังติดอยู่กับอยู่ข้างล่างอยู่เพราะว่าเราอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่าทางด่วนหรืออะไรก็ตามก็ต้องขับอยู่ถนนเบื้องล่างไปก่อนอยู่ขับอยู่ข้างล่างมันก็ไม่เร็วเหมือนกับขึ้นทางด่วน ถ้าเราอยากจะไปเร็วอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วเราก็ต้องขึ้นทางด่วนทางด่วนของการปฏิบัติก็คือเส้นแปดนะส่วนเส้นห้านี่ก็เป็นเหมือนทางที่อยู่ใต้ทางด่วนที่มีสีแยกไฟแดงมีรถลาติดมากมายก็ต้องขยับไปทีน่นกที่อน้อยก็จะถึงจุดหมายปลายทางก็นานคําถามจากคุณนะ้าโเยอร์ ตอนนี้หนูสับสนไม่ทราบว่าตัวเองจะบริกรรมพุโทโธหรือยุบหน่อ้องหนอดีกว่ากันค่ะจะมีวิธีสังเกตอย่างไรจึงจะรู้ว่าควรบริกรรมอะไรที่เหมาะกับจริตของหนูเท่าที่หนูลองใช้ทั้งสองวิธีก็รู้สึกว่าจิตสงบได้พอๆกันค่ะก็อยู่ที่ความสบายใจความถนัดอันไหนเราทำแล้วเราสบายเราถนัดเราก็เอาอันนั้น แล้วถ้าผลดีเท่ากันก็อันไหนก็ได้ก็เอาที่ความถนัดเอาความที่ความสบายใจแต่ถ้าผลอันไหนดีกว่าเราก็ควรจะเอาอันนั้นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดถึงจะไม่ค่อยจะสบายใจแต่ทำแล้วได้ผลดีกว่าก็ควรจะเอาตัวที่ให้ผลดีกว่าเป็นหลักและเวลาทำสมาธิจิตมักฟุ้งซ่านมีความคิดต่างๆแทรกเข้ามา หนูรับรู้และปล่อยผ่านไปจิตอยู่กับคําบริกรรมหนูทําถูกไหมคะเวลาฟุ้งซ่านก็แสดงว่าไม่ได้อยู่กับคําบริกรรมนะถ้าอยู่กับคําบริกรรมมันจะไม่ฟุ้งซ่านดังฉะนั้นตอนนั้นแสดงว่าคําบริกรรมหายไปแต่พอเราเระลึกได้ว่าเราฟุ้งซ่านแล้วเรากลับมาที่คําบริกรรมความฟุ้งซ่านนั้นก็จะหายไปและการภาวนาพุทโธ จะเป็นเพียงสมถะไม่ใช่วิปัสนาหรือเปล่าคะแล้วหนูจะวิปัสนาโดยบริกรรมพุโทโธได้อย่างไรคะ อ, อ๋อไม่ได้เราก็การบริกรรมพุโทโธนี้เป็นเป็นฐานของสมถะเป็นรากของการสร้างความสงบเพียงอย่างเดียวถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ให้บริกรรมคําว่าตายแทนเกิดมาแล้วต้องตายล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้จะได้ทั้งสมถะและได้วิปัสนาะ คำถามหมดแล้วอ่าเข้ามาเลยเชิญเจิญขึ้นมาเลยอ่าขอใช้ไม้หน่อยพอดีเพื่อนที่มาด้วยอยากรู้เจ้าค่ะก็คือว่าอย่างเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะแต่อย่างฝรั่งเนี้ยเขาก็จะนับถือคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแต่เพื่อนเพื่อนเห็นว่า ไม่เขาไม่เคยทำบุญเลยแต่ว่าทำไมเขายังเกิดมาสุขสบายแต่เราคือต้องคำสั่งของเราคือต้องทำบุญคือการทำบุญมันมีหลายรูปแบบไงการให้ทานเนี่ยก็เป็นการทำบุญเช่นเขาอาจจะบริบจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลแห่งใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือช่วยเหลือเด็กกำพรา้าหรือสงเคราะห์คนยากจนนี่ก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วเหมือนกันและบุญอีกอย่างก็คือการไม่ทำบาป ก็เป็นบุญแล้วถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักท ร, รัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีก็เป็นบุญแล้วยันมันไม่มไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาวัดมาขอศีลห้าถึงจะเรียกว่ามีศีลไม่ต้องมาใส่บารให้กับพระถึงจะได้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานี้ก็ได้บุญเหมือนกันไปเลี้ยงคนแก่คนชราก็ได้บุญเหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะท <laughs> ุกครั